การปฏิบัติธรรมเนาะ ส, สิ่งสิ่งสําคัญหรือว่ากุญแจสําคัญมากๆคือคือเรื่องของการสังเกตการสังเกตเนะี่ยคือคือสิ่งที่เราเอ า, เอามาใช้สังเกตนะสังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในกายในใจนะถ้าเราสังเกตเนะี่ยศึกษาบ่อยๆนะ เราก็จะเกิดความเข้าใจนะเรื่องของกายเรื่องของใจนี้นะอย่างแจ่มแจ้งนะซึ่งที่จริงเรื่องการสังเกตเราก็สามารถเราทําได้ยแล้วนะแต่ดเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันนะอย่างคนทางโรคนะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเยอะมากนะในการสังเกตสิ่งสิ่งอื่นนะ บางคนสนใจพืชนะก็สังเกตนะการเจริญเติบโตของพืชบางคนสนใจสัตว์นะก็เป็นนักวิจัยนะไปเก็บข้อมูลนะตามข้อมูลสัตว์ต่างๆนะสัตว์ป่าบ้างหรือสัตว์อื่นๆบ้างนะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็สนใจศึกษานะ เรื่องเชื้อโรคเรื่องการเจริญเติบโตของโรคนะหรือนักดาราศาสตร์นะก็ศึกษาเรื่องการการเคลื่อนตัวของดวงดาวแล้วนะหรือความสัมพันธ์ของระบบนะนะหรือแย่จักรวาลของจักรวาลอะไรก็แล้วแต่นะจริงมนุษย์เราก็ก็อาศัยการสังเกตนะ นะเพื่อทำให้เข้าใจสิ่งที่เขาสนใจนะซึ่งเราก็เอาเครื่องมือการสังเกตเนี่ยเอามาใชนะ้ในเรื่องที่เราจะได้เกิดความรู้บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตหรือมากกว่าค่อนชีวิตในการที่ทุ่มเทนในการศึกษาสิ่งที่เขาสนใจตรนะั้นแหละซึ่งมันก็เกิดความองความรู้นะ หลายๆอย่างขึ้นในโลกนี้นแต่ที่จริงสิ่งบางอย่างนะมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนแต่อีกหลายอย่างมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักท่ า, าไหรหลักนมันก็เป็นมันก็เป็นแค่ประโยชน์แบบลอกๆเลยนะแต่น้อยคนนะที่จะเอาชีวิตทั้งชีวิตหรือค่อนชีวิตนะ มาสังเกตตัวเองนะคือเรามักจะเอาจิตใจนะัไปเที่ยวสังเกตสิ่งภายนอกนะแต่การปฏิบัติทางจริงคือ เ, เรียกว่าเอาจิตใจกลับมาสังเกตตัวเองนะถ้าเรากลับมาสังเกตตัวเองนะมันก็จะทำให้เราเข้าใจตัวเองนะ การสังเกตนี่คือสภาวะที่เรียกว่าเราเหมือนเป็นผู้ศึกษาเนาะหรือเป็นผู้ผู้ดนะูเหมือนถ้าเราทําวิจัยเนะี่ยเวลาเรากําหนดตัวแปรต่างๆนะีมันก็จะเป็นตัวแปรที่มันจะค่อนข้างนิ่งเนาะพอเราเป็นนักวิจัยนักศึกษาเก็บข้อมูล่ เราก็จะเป็นเพียงแค่เหมือนเป็นผู้ที่เฝ้าดูนะตัวแปรที่มันที่มันสัมพันธ์กันอย่างไรกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้นะนะเราก็ผู้ทําวิจัยเนี่ จ, จะเป็นผู้แค่สังเกตนะจะไม่เข้าไปเรียกว่าไม่เข้าไปแทรกแซงในในกระบวนการที่มันกำลังเป็นไปอยู่นะ เราเพียงแค่ดูแล้วก็ควบคุมนะให้ตัวแปรต่างๆมันมันเกิดขึ้นตามสมมติฐานที่เราที่เราตั้งไว้ น, นี่นะแต่พอเราดูไปเรื่อยๆจะรู้ว่าอ๋อผลมันเป็นอย่างที่คาดไว้หรือผลนั้นไม่เป็นอย่างที่คาดไว้น ะ, นะเราก็จะเข้าใจอ้อสมมติฐานนี้มันถูกหรือผิดนะ มันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้คือหลักๆคือเราต้องเป็นผู้แค่สังเกตดนะูถ้าเราก็าไปแทรกแซงมันมากเกินไปเนะี่ยมันก็จะไม่ใช่มันก็จะไม่มันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์เนี่ยที่ถูกต้องนะหรือนักวิทยาศาสตร์เวลาเขาส่องกล้องดูนะกล้องขยายจุลทัศนะ์ดูเซลล์ต่างๆนะ มันมีเซลล์นะที่มันเล็กๆนยะตัวดูก็ต้องดูผ่านกล้องนะมันก็ค่อยเห็นขยายขึ้นนะผู้ดูก็อยู่นะอยู่ออกมาต่างหากนะอยู่ข้างบนเห็นนะใดมุมกว้างนะหรือนักดาราศาสตร์ก็ส่องกล้องจากโลกนะไปเห็นดวงดาวไปเห็นเนะี่ยท้องฟ้านะตัวเขาก็ยังอยู่นะ อยู่ที่โลกนี่แหละนะแต่อาศใส่กล้องนะสองทางไกลนะแล้วก็เห็นรวงดาวนะอยู่ไกลๆนะเนะี่ยมันคือเป็นการเป็นการเชื่อมโยงกันเนาะใจเราเองก็เหมือนกันนะเวลาดูตัวเองแหละมันก็อยู่ด้วยกันตัว น, นั้นแหละนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปจมนะสังเกตคำ ว, ว่าสังเกตหรือดูเนะี่ย สิ่งสำคัญคือไม่เข้าไปไปจมไม่เข้าไปอินในสิ่งที่เราดูนะถ้าเราเข้าไปอินเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ดูอะ่ะมันจะเห็นไม่ชัดก็ไม่ใช่เหมือนคือการไม่อินเอะ่ะเปรียบเทียบไม่ง่ายเหมือนคล้ายเหมือนเราอยากจะไปดูปลาในน้ํานะเราเราดําลงไปในน้ํำนะไปไหว้ดูนะ่ะถามว่ามันเห็นไหมเห็น นะแต่ไม่เห็นแค่บางส่วนนะเพราะเราเข้าไปอยู่ข้า ง, างในกับมันนะเราจะไม่เห็นโดย ก, กว้างโดยดรวมนะพอเราเข้าไปอยู่กับมันเราจะเห็นเห็นลึกขึ้นเห็นละเอียดขึ้นนะแต่มันจะไม่แต่มันจะไม่เห็นแบบครอบคลุมนะแต่ถ้าเราอยู่บนฝั่ง หรอยู่บนสะพานนะเราก็ดูนะโดย ร, รวมในสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับน้ําเนี่ยมันจะเรียกว่าเห็นแบบรวมๆเราดูกายดูใจของตัวเองก็เหมือนกันนะสมมติเรียกว่าตัวเองเห็นใจนะหมายถึงว่าเราดูกายดูใจเนี่ยก็เหมือนกันสติเนี่ยจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูนะไม่เข้าไม่เข้าไปอยู่ในกายนะไม่เข้าไปอยู่ในใจ การดูนะแต่ก่อนเนะี่ยบางทีเราใช้สมาธิเนาะเวลาเราทำอะไรเราตั้งใจมากมากมันจะเข้าไปอยู่ในในสิ่งที่เราทำนะอันนั้นมันมันเข้าไปมากเกินไปนะมันไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเกิดสตินะมันจะเข้าไปอินเกินไปบางทีทางโลกเราก็ใส่เรื่องพวกนี้แหละนะทำให้เกิดความสำเร็จนะเช่น นักร้องใช่ไหมเขาก็ต้องอินกับเนื้อหาเนื้อเพลงเนื้อร้องนะอินกับอารมณ์ขณะที่ถ่ายทอดออกมานะถามโลกเขาว่าดีนะถ้ายิ่งอินได้มากเท่าใดนะบิ้วอารมณ์ให้เป็นตามบทเพลงสื่อสารให้คนรับรู้ได้เท่าไหร่เนะี่ยมันยิ่งคนยิ่งชอบนะแต่ถามว่า ถ้าเพลงนั้นมันเศร้านะเขาก็เศร้าไปด้วยถ้าเพลงนี้มันสนุกหัวเราะเขาก็สนุกหัวเราะไปไปด้วยนะใจมันไม่ค่อยเป็นปกติเลยเพราะว่าใจใจมันก็ไปตามเนื้อหาหรือท่วงทํานองที่มันเกิดขึ้นนะแต่คนทั้งโลกเขาก็อาจจะชอบอย่างนั้นนะเพราะว่าจิตใจมันขึ้นขึ้นลงลงนี่นีนะสุขสุขทุกทุกนะี่สนุกบ้างเศร้าบ้างเนะี่ย เขาก็อาจจะชอบกันนะเหมือนรสชาติอาหารนะคนตัวเนี้ย ก, ก็จะชอบรสชาติที่มันจัดจ้านนะนะเปรี้ยวก็เปรี้ยวมากๆนะนะหวานก็หวานมากๆนะคนไม่ค่อยชอบรสชาติ จ, จืดๆนะคนจะชอบรสชาติแบบ จ, จัดจัดจ้านสักหน่อยนะอันนั้นมันก็เป็นอารมณ์ทางโลกนะนะนะแต่จริงอย่างอาหาร มันก็ต้องอยู่ที่คุณค่าแท้นะของอาหารนะทานไปเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นโทษอย่างไรนะอันนี้ก็นะั่เป็นส่วนสำคัญกว่าสำคัญกว่ารสชาติ น, ะนั้นเราเราต้องเห็นว่าการที่ถ้าจิตมันไปอินกับอารมณ์มากเกินไปเนะี่ยมันมันจะเป็นโทษนะเพราะว่า ถ้าเราเข้าไปอยู่ในในอารมณ์ที่กำลังศึกษาหรือกำลังถ่ายทอดเนี่ยมันจะทําให้เราสุขทุกข์ตามอารมณ์นั้นอย่างเช่นถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายนะถ้าเราเอาใจเข้าไปอยู่กับมันมากเกินไปเนะี่ยบางทีมันมันก็เพลินนะบางทีก็เพลินแบบสนุกบางทีก็เพลินแบบสงบก็มีนะ หือบางทีมันก็ไม่เพลินเพราะว่าร่างกายมันปวดเมื่อยนะมันก็เข้าไปอยู่ในความปวดเมื่อยออกมาไม่ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะนั้นๆว่าร่างกายมันเป็นอย่างไรนะจิตใจเราก็ก็ตามนั้นนะอืเช่นอย่างเราเห็นบางคนใช้การลําเช่นจะเห็นชัดอย่างเช่นพวกลัมไถ่เก๊กเลยนะเวลาเขาเคลื่อนไหวจะอ่อนช้อยจะ แล้วก็เอาใจไปแนบอยู่กับการเคลื่อนอาจจะไม่ให้ทุกคนนะนะหมายถึงว่าแต่มันพอทําไปเรื่อยนะมันจะค่อนข้างสงบเพราะว่ามันใจมันมันไหวไปตามนะตามธรรมชาติที่มันกําลังเคลื่อนแนบเข้าไปต่อเนื่องหรือตัวอย่างที่มักยกบ่อยๆเช่นอย่างการไกวไปเด็กใช่ไเด็กเด็กนอนอยู่ในเปย น, นะ พ่อแม่ไกวเปยไ ป, ไปเด็กเข้าไปอยู่เอยู่ในแปถูกไกวไปไกวมานะพักๆเขาก็เคลิมก็หลับไปจิตใจเราก็เหมือนกันนะถ้าเราเอาไปเข้าไปอยู่ข้างในกับการเคลื่อนไหวมากเกินไปนะมันก็จะเป็นเหมือนถูกถูกกล่อมฮนะถูกกล่อมนะกล่อมเข้าไปอยู่ในความสงบบ้างนะหรือบางที ไม่แต่อารมณ์การเคลื่อนไหวบางทีก็ต้องระวังนะบางทีมันจะมีอารมณ์สนุกก็มีนะเพลินนะยกมือก็เพ ล, ลินะเดินก็เพ ล, ลินนะมันมันก็รู้อยู่แหละแต่เพียงว่ามันยังเจือด้วยความเพ ล, ลินไปหน่อยก็มีนะเนะี่ยต้องสังเกตบางคนยกมือเร็วๆนะไปถามทําทไมยกเร็วจังนะบอกกําลังเสนุกเลยอาจารย์ประาณกำลังแบบ กำลังมันนะกำลังแบบยกมันมันนก็ต้องระวังนะเอมันบางทีมันก็เป็นความเพลินแบบหนึง่งนะแม้มันไม่ใช่สงบแบบเราว่า เ, เราไม่ไม่ติดความสงบนะแต่มันอาจจะไปติดความเพลินในการกระทําก็ได้เนะี่ยก็ต้องระวังนะนั้นจะรู้สึกแบบไหนนะก็ต้องอย่าไปเข้าไปอยู่ในการเคลื่อนไหวนะ แล้วก็ไม่เข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันสงบก็ดีหรือมันเพลินก็ดีนะหรือว่ามันมีเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาก็ดีนะเราก็ให้เห็นมันนะเห็นมันคือความสงบก็ดีความเพลินก็ดีหรือความทุกข์ก็ดีนะมันจะเกิดขึ้นมาเนะี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกนะแต่ให้เราดูมันนะให้เราดูมันอืนะ ดูมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันมากเหมือนเรานั่งอยู่บนฝั่งนะของท้องทะเลนะบางครั้งทะเลก็สงบบางครั้งทะเลก็มีคลื่นแรงนะเรานั่งอยู่บนฝั่งเ้วก็เพียงแค่ดูมันเห็นมันนะเห็นมันสงบบ้างเห็นมันมีคลื่นบ้างจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็ดูเนะี่ย มันก็เนื่องกับการเคลื่อนไหวนั่นแหละนะมันก็มีความสัมพันธ์กันบ้างนะไม่สัมพันธ์กันบ้างนะก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมันก็แค่ดูมันนะเราก็ดูมันมันก็จะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเคลื่อนไหวก็เปลี่ยนไปนเดี๋ยวก็เคลื่อนเดี๋ยวก็หยุดจะท่าไหนก็แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ปวดเมื่อย เดี๋ยวก็หายปวดเมื่อยอะไรนะมันก็มีมันมีไม่มากหรอกนะถ้าเราสังเกตดูจริงๆนะร่างกายมันมีอะไรไม่มากหรอกนะแต่ถ้าเราไม่เท่าทันมันอ่ะนะมันจะถูกเรียกว่าจิตใจนะมันจะถูกดูดเข้าไปอยู่ในเวทนาที่มันเกิดขึ้นอย่างเวลาคนคิดนะนะคิดเรื่องเศร้านะจิตมันก็เลยเศร้าตามไปเลยนะ คิดเรื่องสนุกนะก็หัวเราะสนุกสนานไปเลยนะอืมมันจมเข้าไปนะอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าเราเพลินแบบวันนี้ไปบ่อยนะเวลาร่างกายมันปวดเมื่อยมันเจ็บปวดเนะี่ยจิตมันก็จะจมเข้าไปอยู่ในความเจ็บปวดนะทุกขเวทนานก็ออกมาไม่ได้นะแต่เราจะทํายังไงล่ะนะลเอราก็อาศัยการเคลื่อนไหวส่วนอื่นนี่แหละนะที่มัน ไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากมายนะเอามาแก้เอามาแก้นะ่าากนะก็คือเราก็สร้างนะสร้างเงื่อนไขสร้างการเคลื่อนไหวเพื่ อ, อามาแก้ให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาเมื่อเกิดจากตัวรู้ขึ้นมามันจะดูดออกมานะจิตที่มันเข้าไปจมนะมันก็จะดูดออกมาจากสิ่งที่จมนะให้เป็นผู้ดูนะีนะ่เราก็การสร้างผู้ดูขึ้นนะ่ะนะ คือเราเพียงแค่รู้สึกนะในการกระทานะแต่ไม่เข้าไปอยู่ในการกระทานะเพียงแค่รู้สึกนะรู้สึกเฉยๆนะอย่าเข้าไปอยู่กับมันอย่าเข้าไปอินกับมันมากเกินไปนะทุกอย่างนะสวดมนต์ก็เหมือนกันนะสวดมนต์แบบสมาธิก็มีนะจิตจะจาะเข้าไปในการสวดในท่วงทานองในการสวดนะ สวแบบเอาสติก็ ไ, ได้นะก็แค่เอาบทสวดเป็นเป็นคล้ายๆเป็นการเดินทางของของเวลานะก็คือก็อาศัยสวดไปตามพยัญชนะตามอักษรต่างๆรู้สึกถึงเนื้อหาในขณะที่สวดไปด้วยแต่ก็ไม่ได้อินเข้าไปเคิมกับการสวดอะไรมากเกินไป ก็สังเกตดูร่างกายที่กำลังอ่านกำลังสวดสังเกตรู้เท่าทันใจที่มันหลงออกไปปุงแต่งนึกคิดหรือสังเกตใจิตใจที่บางทีมันก็อินเข้าไปในการสวดหรือเผลอออกไปข้างนอกเลยอนี้สวดแบบนี้ยก็จะสวดได้สติสวดดูตัวเองไปด้วยได้ยินคนอื่นไปด้วยดูท่วงทํานองที่มันสับพันธ์กันไหมหรือผัดกันไหมอะไรอนยะ่างี้ เราก็จะสังเกตนะมันก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะสําคัญมากนะการสังเกตเนะี่ยจะเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะไม่ได้เห็นแต่ตัวเราเองนะเห็นคนอื่นด้วยเหมือนหลวงพ่อเทียนไปแนะนำหลวงพ่อกําเคียนนะตอนที่หลวงพ่อกำเคียนบวชใหม่ๆหลวงพ่อกำเคียนมักปฏิบัติอยู่ในห้องนะปิดประตูนะ ไม่รู้ปิดหน้าต่างได้หรือเปล่านะอืมลวงพ่อบอกชอบไปนั่งข้างในห้องนะบางทีก็นั่งหันหน้าเข้าฟ้าเลยนะยกมือสร้างจังหวะเนอะบางทีก็นั่งพิงเเส้นะแล้วก็สร้างจังหวะอยู่ในห้องนะหลวงพ่อเทียนก็เดินมาหาหลวพ่อของเขียนถามทำอะไรอยูนะ่ห้องเขียนก็บอกอปฏิบัติทำอยู่ครับนะ อลวงพ่อเทียงก็ถามเห็นข้างนอกไหมนะไม่เห็นครับนะเห็นข้างในไหมเห็นครับนะทํายังไงถึงจะเห็นข้างนอกล่ะหลวงพ่อเขมเพียงก็เลยออกมาที่ประตูนะหลพ่อเทียงก็ถามเห็นข้างนอกไหมเห็นครับนะเห็นข้างในไหมเห็นครับเออให้ทําแบบนี้นะ แล้วหลวงพ่อเทียนก็เดินไปหลวงพ่อเขียนตอนตอนนี้ฟังคํานะนำตอนนี้ก็ตอนแรกก็ยังงงนะงงว่าหลวงพ่อเทียนมาทําอะไรนะท่านก็สอนมาเนะี่ยแม่ทีบายนะแอ่จริงก็เป็นการสอนที่ดีนะคือไม่ต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจโดยภาษานะแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดยังสงสัยอยู่ทําไมหลวงพ่อเทียนมา หลพอเทียนมาพูดอย่างงี้นะให้เห็นข้างนอกให้เห็นข้างในนะตอนแรกมันอาจจะคิดแต่ข้างนอกก็คือเออ่นอกกุตตินะ ม, นมันมันมีมันมีอะไรเกิดขึ้นนอกกุติหรือข้างในกุตติมันเป็นแบบไหนนะตอนแรกอาจจะคิดอย่า ง, ง น, นั้นนะก็ได้กสงสัยมันได้ประโยชน์อะไรแบบนี้เนาะแต่พอภาวนาไปจริงอ๋อมันได้ลึกได้อ้อ เห็นข้างนอกเห็นข้างในเนี่ยมันคือเห็นตัวเองนะเห็นข้างในที่เกิดขึ้นในตัวเองก็ดีนะหรือเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างนอกไปด้วยนะไม่ได้เข้าไปอินกับอารมณ์ข้างในนะจนจนติดข้างนอกไม่รับรู้ไม่สนใจไม่แยแสเลยนะอันนั้นก็ไม่ใช่เนะหรือไปรู้แต่ข้างนอกนะไปสังเกตแต่ข้างนอกตัวนะ ต้นไม้ใบหญ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ได้กลับมารู้สึกตัวไม่รู้กายไม่รู้ใจของตัวเลยนะนั่นก็จิตส่งออกนอกนะมันจะมีจิตนะสองเนี่ยจิตส่งออกนอกกับจิตเพ่งเข้าในนะตําระวังนะจิตส่งออกนอกนะอย่างที่ว่านะอย่างที่หลวงพ่อว่าเมื่อวานนะจิตส่งออกนอกอะมันเหมือน ตาก็ไปเนะไปหาดูนั่นดูนี่นะตามสิ่งที่ชอบหูก็เหมือนกันนะเรียกว่าอายตนะเนี่ยนะมาส่งมันพาจิตส่งออกนอกนะแต่ถ้าสติเนะี่ยนอแต่ถ้าสมาธิมากเกินไปมันจะพาจิตเข้ามาข้างในมันทีจะไปจมเกินไปเนะี่ยก็จะเข้าไปข้างในมากเกินไปนะ แต่สติเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางคือเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในนะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่มันกระทบข้างนอกนะมันกระทบปุ๊บนะการเห็นตรงกลางเนี่ยมันเหมือนรู้ทันการกระทบนะเช่นหูได้ยินเสียงเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตเราต้องไปไปดูที่ต้นต่อของเสียงวาเสียงเกิดขึ้นที่ไหนนะ อย่างเช่นไก่มันขันเนือเนี่ยนะตอนนี้ไก่มันขันเราแค่รู้ทันที่ตัวเราเองว่าเราได้ยินรู้ว่ามันได้ยินนะไม่ต้องไปสนใจก็ได้ว่าไก่มันอยู่ที่ที่ตรงไหนห่างจากที่นี่เท่าไหร่นะเพราะเสียงนู่นมันมาจากต้นตอจากไก่มันขันมาปุ๊บมันกระทบที่หูเราเนี่ยเรารู้ทันที่การกระทบตรงเนี้ยเสียงมันกระทบเนี่ยที่หูเนี่ย เรียกว่าโสดตะวิน ญ, ญาณนะเกิดขึ้นมาละนะอวิญญาณการรับรู้ที่หูมันเกิดขึ้นแ ล, ะนะแล้วเนี่ยรู้ทันตอเนี้แหละ น, ะนี่คือรู้ไม่ไม่นอกไม่ในเกิไปแค่รู้ทันปุ๊บน่ะแต่บางทีถ้ามันสงสัยขึ้นมาเนี่ยคือจิตมันเพ่งเข้าในละนะบางทีก็เพ่งเข้าในบางทีก็ส่งออกนอกนะไปสงสัยว่าไก่มันอยู่ตรงไหนอย่างใดน่ะ บางทีเราก็เพ่งไว้ไม่อยากได้ยินนะหรือเพ่งไว้ให้ใจมันปกติมันก็ไม่ใช่นะแต่ถ้ามันสงสัยนะพอเรารู้ทันการสงสัยปุ๊บเนะี่ยจิตที่มันจะไปหาคําตอบจากข้างนอกมันก็จะกลับมานะเป็นปกตินะีเนี่ยมันตัวอย่างนะหรือบางทีบางคนชอบเสียงอะไรบางอย่างปุ๊บเนะี่ยได้ยินขึ้นครั้งหนึ่งเนะี่ย จิตมันเคพิ่มบางทีไปจมเลยนะไปจมกับไปปรุงต่อไปคิดถึงไก่เนะี่ยผู้ชายบางคนนะเคยเลี้ยงไก่เนะียไปคิดถึงไก่ที่เคยเลี้ยงเอาไปแล้วนะเดี๋ยไปคิดถึงไก่ที่บ้านที่เราเคยให้อาหาราไปแล้วเดี๋ยวบางคนไปต่อเนื่องอ่ะคิดถึงคนชื่อไก่ไปลนะเนีมันก็ปรุงแต่งนะมันไปได้สารพัดเลย จากการกระทบนั่นแหละนะพอเราไม่รู้ทันการกระทบนะมันก็จะมันก็จะพาจิตนะให้มาเสียความเป็นปกติเนาะแต่ถ้าเราแค่รู้ทันปุ๊บนะจิตมันก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองเนาะอันนี้คือการเรียกว่าการการสังเกตดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเนาะสิ่งที่กระทบปุ๊บนะถ้ารู้แค่การกระทบเนะี่ยเนี่ย มันก็จะเป็นสักแต่ว่าเลยนะนะตาเห็นเนี่ยก็สักแต่ว่าเห็นนะไม่มีอะไรไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยปกตินะแต่ถ้าไม่สักแต่ว่าเนี่ยโอ้นะอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะปรุงแต่งนะภาษาทําก็บางทีเราก็ใช้คําดี้นะใช่ว่าจินตนาการนะเอนะแต่ภาษาพระก็คือการปรุงแต่งนั่นแหละนะออถ้าจินตนาการแบบไม่รู้ตัวเนะี่ยแล้วก็คือ สำคัญการปรุงแต่งให้เกิดพบเกิดชาตินี่แหละนะแต่ถ้าทางโลกเออใช้เพื่อการทํางานแล้วรู้ตัวว่าจินตนาการหรือปรุงแต่งเพื่ออะไรอ่ะมันจบเป็นอนะันนั้นก็ไม่เป็นปัญหาบางทีทางโลกก็ต้องมันก็ต้องจบให้เป็นนะถ้าจบไม่เป็นก็เป็นปัญหาบางทีคนนักใช้จินตนาการวนะ่าบางทีก็เข้าไปปรุงแต่งนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะอื มันก็เยอะเกินไปนนะเราแค่รู้ทันเวลามันกระทบนะถ้ารู้ทันการกระทบรู้เฉยๆนะมันก็หยุดแค่นั้นแหละแต่บางอารมณ์มันก็ไม่เฉยก็ไม่เป็นไรนะเพราะเราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะบางอารมณ์มันไม่เฉยก็ให้เรารู้ทันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเช่นเกิดความชอบก็ให้รู้ว่ามันชอบ เกิดความไม่ชอบก็ให้รู้ว่ามันไม่ชอบนะเกิดความสุขก็ให้รู้ว่ามันสุขเกิดความทุกข์ก็ให้มันรู้ว่ามันทุกขนะ์รู้นะอย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ได้ไม่ต้องไปคล้ายๆเป็นดัตจดิษให้มันต้องต้องเชยเชยต้องปกติตลอดนะนะคือเราเรารู้มันอีกทีว่าอ๋อเห็นละจิตมันเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นการสําง สังเกตซ้อนก็ไปอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่เราเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นมันจะกลับมาปลดออกมาเป็นผู้สังเกตมาเห็นมันอีกทีหนึ่งอ๋อเป็นแบบนี้นะเนี่แล้วเราจะเราก็จะเห็นว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยของมันนะ่ละนะพอเห็นปุ๊บนะมันก็ดับเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นใหม่ใหม่อีกละเอาเดี๋ยวมันก็ดับอีกละนะไม่มีอะไรมากกว่าการเกิดแล้วก็ดับน ะ, นะ ทั้งในอารมณ์ที่เกิดก็ดีนะหรือในตัวที่รู้ก็ดีนะเหมือนกันนะตัวที่รู้กับตัวที่ถูกรู้นะเหมือนกันนะมีเพียงแค่เกิดแล้วก็ดับนะอเหมือนเสียงนะกระทบปุ๊บเนะี่ยมันก็หยุดแล้วนะอาจจะมีกระทบใหม่ก็เป็นเสียงใหม่นะเอย่างม้าเห่าเนะี่ยมันก็เห่าทีละครั้งนะ แต่มันอาจจะเข่าต่อนะแต่มันก็กระทบทีละครั้งนะกระทบทีละครั้งกระทบทีละครั้งจริงเราก็รู้ทีละครั้งรู้ทีละครั้งรู้ทีละครั้งอยมอย่างทีเราสังเกตก็ได้บางคนบางอย่างนะบางอย่างกระทบตอนแรกเนี่ยเราเช๊ยไม่เป็นไรนะแต่สมมติหมาันเห่าบ่อยๆนะเนี่ยเห่าเริ่มละเริ่มลำคาญลนะนบางทีเราไปลำคาญหมานะ แต่เราไม่ค่อยดูความรำคาญที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองนการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยเช่นหมามันเข้าปุ๊บเนี่ยอครั้งแรกๆมันเฉยๆนะเรากร็ูแค่รู้ได้ยินนะแต่พอมันเกิดมันเข้าเยอะๆปุ๊บเนะี่ยเราลำคาญนะให้เรารู้ทันใจที่มันลำคาญปุ๊บอย่าไปลำคาญหมานะให้มาสังเกตใจเราที่มันลำคาญนะพอเราเห็นนักใจมันลำคาญปุ๊บเนะี่ย ใจมันจะหยุดการลำคาญกลับมาเป็นปกตินะอันนี้ก็ค่อยเอาใจที่ปกตินะ่ะค่อยไปจัดการว่าต้องไปจัดการมันไม่หรือปล่อยมันเฉยๆนั่นแหละก็แล้วแต่เรื่องของเหตุปัจจัยล่ะนี่คือสิ่งที่เว่าเราเกี่ยวข้องกับกับตัวเราเองนะหรือ ว, ว่าเกี่ยวข้องกับคนอื่นเนี่ยนะสนะติมันจะทาให้เรา เป็นผู้สังเกตอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมันก็จะเห็นอารมณ์นี่แหละนะคําว่าเนี่ยเข้าใจนะมันเป็นรูปเป็นนามแบบไหนนะอาการของรูปอาการของนามเป็นแบบไหนนะออโลกของรูปโลกของนามเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้จังทุกขังนับตาแบบไหนเนี่ยมันก็จะเห็นจากการสังเกตนี่แหละนะสังเกตไปอมจะแยกได้สังเกตไปมันก็จะเห็นอ๋อเป็นแบบนั้นจริงๆเนาะออมัน ไม่ใช่คิดนะไม่ใช่คิดแต่มันเห็นอ๋อมันเห็นอย่างที่พูดไว้ว่าเหมือนเหมือนคนที่เขาสังเกตปรากฏการณ์ข้างนอกนะก็คือเขาเก็บข้อมูลไปบ่อยเขาดูไบ่อยเขาก็จะเออพอจะจับได้ว่ามันเป็นทําไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราให้เวลาตัวเราเองในการสังเกตดูตัวเองบ่อยๆเนะี่ยเราก็จะเข้าใจตัวเองฮะนะนะการ ปฏิวัติธรรมจะทำให้เกิดการเข้าใจตัวเราเองนะเนทั้งเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเองนะมันเป็นอาการของร่างกายเป็นอาการของจิตใจนะมันจะเห็นไปเรื่อนอ๋อมันก็เป็นแบบนั้นของมันนะหรือสมมติที่เราได้อ๋อมันเกิดกับเราเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เข้าใจแล้วมันเกิดกับคนอื่นด้มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะไม่ต่างกันนะหลงนย หลงก็ไปปรุงแต่งไปนั่นนี่นะอาจจะปรุงแต่งแตกต่างกันนะแต่ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันแหละ <c ười> แต่ถ้ารู้เนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยที่หลงเนี่ยหลงไม่เหมือนกันนะบางคนเช่นสมมติสมมติหมานเฮาปุ๊บเนี่ยบางคนตลกก็มีนะบางคนลำคาญก็มีบางคนเฉยก็มีนะไม่เหมือนกัน บางคนบางทีนกร้องปุบเนี่ยบางคนโอ้สงสัยน่ะนกอะไรมันร้องน้องน่ะบางคนเฮ้เสียงมันเพาะดีน่ะก็ไปจมกับความกับเสียงที่ไพเราะนะบางคนก็เชยนะบางคนก็รำคาญนะบางทีสิ่งที่มันกระทบนะเป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ถ้าหลงเนี่ยน่ะปรุงแต่งไปคนละแบบนะแล้วแต่ แล้วแต่สัญญาสังขารวิญญาณคน แ, แต่ละคนจะพาปรุงแต่งไปแต่ถ้ารู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันคืออะไรรู้เฉยเ <c oughs> ไม่มีอะไรไม่ไปปรุงต่อรู้เฉยเฉหรือถ้ามันไม่เฉยปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ทันเออมันไปปรุงเนาะปุ๊บรู้เฉยปุ๊บเนี่ยมันจะตัดตัดการปรุงแต่งปั๊บทันทีนะเหมือนคล้ายๆแบบ เหมือนคล้ายๆเราเผลอไปไปเปิดอะไรสักอย่างนะพอรู้ตัวว่าเผลอไปเปิดปุ๊บนะเปิดเสียงขึ้นมาปุ๊บทุ้มอ๋อหลงไปเปิดแล้ว่ะปิดมันปิดมั น, นมันตัดทันทีเลยนะตัดปุ๊บนะมันก็ตัดลงมาให้เห็นในะชั้นสตรีมันชัดเจนนะจะตัดให้เห็นแบบชัดเจนมากจนแบบเราถ้าเห็นใหม่ๆเนี่ยตกใจใ้มีแบบนี้ได้เหรอะนะแบบตัดปั๊บทันทีเนะี้ย แต่ก่อนไม่เคยเห็นนะแบบแต่ก่อนเป็นประเภทแบบมันอิม่มแล้วมันดูดไปของมันเองนะเราค่อยมารู้ตัวว่ามันดูดไปแล้วเหรออนะแนี้แต่ก่อนเนะี่ยคนส่วนใหญ่นะมันเหมือนถูกยุงกัดนะเราไม่รู้ตัวถูกทากนะดูดเลือดไม่รู้ตัวนะปล่อยมันดูดตล่อยังกัดจนอิม่มลนะมันดูดไปค่อยรู้สึกตอนมันเจ็บแล้วนะไรแบแต่นะ เอาเข้าจริงๆน่ะปฏิบัติทำนะเหมือนรู้ตัวปุ๊บน่ยมันกัดปุ๊บเนี่ยอดึงมันออกทันทีนะแต่จริงไม่ดึงหรอกเหมือนแค่รูปุ๊บเนี่ยขยับปุ๊บเนี่ยมันหลุดเลยแต่ถ้าเป็นทาก็เห็นแล้วลจับปุ๊บเนี่ยดึงออกปั๊บเลยออเนี้คือมันจะเห็นแบบเป็นแบบนั้นไม่ใช่ปล่อยให้มันดูดนปล่อยให้มันกัดจนกระทั่งมันอิ่มแล้วมันก็หลุดของมันนะ เห็นเกิดดับเนะียไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันอิ่มไปแล้วมันค่อยเห็นมันดับแบบนั้นนะไม่ใช่สติมันเห็นเกิดดับเนะี่ยปุ๊บเนะี่ยเห็นความหลงเกิดขึ้นปุ๊บเนะี่ยสติทันปับนะ๊บเนี่ยมันดับทันทีเนะคล้ายๆถ้เปรียบเหมือนยิงนกกันนะเอนกมันบินอยู่บนฟาร์มเอาปืนยิงปุ๊บปุ๊บเนะี่ยตกลงมาทันทีนะไม่ใช่แบบนกค่อยๆบินลงมาเอีนะ่ยมา เกาะอยู่กับพื้นนะไม่ใช่แบบนั้นนะพอถูกปืนยิงปุ๊บเนี่ยมันตกลงมาทันทีนะสนะติก็เหมือนกันนะเวลามันยิงอารมณ์ปุ๊บมันเห็นปุ๊บเนี่ยอตกลงตรงนั้นเลยไม่ไม่ใช่ค่ อ, คอยๆลงนะเนี่ยคือแต่เราก็ให้เรารู้ทันมันนะทุกอารมณ์นะสังเกตไปเรื่อยเนี่ยแหละนะมีการทําในรูปแบบก็ดีหรือนอกรูปแบบก็ดีเราก็สังเกตนะทําอาหารนะ ก็สังเกตดูร่างกายเคลื่อนไหวดูจิตใจเนะี่ยไปด้วยนะทำการทำงานก็เหมือนกันนะก็อย่าไปจมแต่กับงานนะสังเกตดูร่างกายบ้างสังเกตดูจิตใจบ้างเเป็นแบบไหนนะแต่บางทีก็ต้องแบ่งให้กับงานบ้างนะในการคิดในการตั้งใจทำงานแต่ก็อย่าไปอินไปทั้งหมดเพราะว่างั้นเราจะดื่มตัวเวลางานนึเครียดเนะ่เราก็จะกลายเป็นผู้เครียดไปด้วยนะยนนะไรแบบน้ แต่ถ้าเราดูนะเราก็จะเห็นอ้อเห็นร่างกายมันเครียดนะก็นั่งทำงานนานนะเห็นจิตใจมันเครียดนะก็ะมันคิดมากนะแต่พอเห็นนะมันจะดูดตรงมามันจะบรนเทาอาการตอนนั้นได้เนาะแต่ถ้าเราเข้าไปจมทั้งหมดเนี่ยโอ้มันจะเหนื่อยมันจะทุกข์นะนะก็ต้องสังเกตนะจาไว้นะหลนะักการจริงๆคือการเฝ้าสังเกตนะแล้วก็เฝ้าสังเกต ดีวยความเป็นกลางเนาะให้เรารู้ทันรู้ทันที่ว่าส่งจิตออกนอกเยกับเพ่งจิตเข้าข้างในนี่นะมันจะเป็นตัวที่มันหลงแต่เราก็บังคับไม่ได้แล้วนะแต่ให้เรารู้ทันมันรู้ทันจิตบางทีก็เข้าในเกินไปบางทีจิตมันก็ออกไปข้างนอกเนี่ยให้เรารู้ทันรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันจะกลับมามันจะกลับมาเป็นปกติาะ่ก็ฝากไว้ Ah. Um.